ความรู้ที่อยู่เหนือประสาทสัมผัสข้าพเจ้าขอเน้นอีกครั้งหนึ่งว่าการสแสวงหาความรู้เพื่อที่จะให้ทราบถึงความจริงของชีวิตรวมทั้งสิ่งต่างๆในโลกนั้นเราะจะอาศัยความรู้ทางประสาทสัมผัสอย่างเดียวไม่ได้เพราะประสาทของคนเรามีประสิทธิภาพจำกัดถึงแม้ทางวิทยาศาสตร์จะสร้างเครื่องมือต่างๆขึ้นมาเพื่อช่วยประสาทสัมผัสให้มีขอบเขตกว้างออกไป เช่นกล้องจุลทัรศน์กล้องโทรทัศน์วิทยุโทรทัศน์เรดาร์คอมพิวเตอร์ตลอดทั้งเครื่องมืออื่นๆอีกหลายอย่างสิ่งเหล่านี้ก็ยังไม่ได้ช่วยให้คนเรารู้แจ้งถึงความจริงต่างๆท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ตามแต่ทางพระพุทธศาสนาก็ได้สอนไว้ว่าภายในจิตใจของเรานี้สามารถที่จะสร้างเครื่องมือได้ทุกชนิดเพื่อที่จะช่วยให้เกิดความรู้แจ้งสิ่งต่างๆตามความเป็นจริง วิธีการสร้างเครื่องมือที่ว่านี้ก็คือการฝึกจิตด้วยวิธีทางสมาธิและวิปัสสนาซึ่งวิธีการเหล่านี้พระพุทธเจ้าได้ทรงอธิบายไว้อย่างละเอียดและเครื่องมือที่ว่านี้ก็คืออภิญญาต่างๆอภิญญาแปลว่าความรู้ชั้นสูงหรือความรู้ที่อยู่เหนือธรรมชาติเหนือประสาทสัมผัสอภิญญามีอยู่หกอย่าง คือ 1. อิทธิวิธิการแสดงอิทธิปฏิหารต่างต่างเช่นการเยรมิดกายทิพ์ขึ้นมาและสามารถจะไปไหนมาไหนได้ด้วยกายทิพ์ซึ่งไปได้รวดเร็วเท่าใจนึกและปลอดภัยจะไปสำรวจดวงดาวอื่นหรือจะลงไปสำรวจใต้ท้องมหาสมุทรหรือที่ไหนก็ได้อย่างนี้เป็นต้น 2. ทิพยโสตร หูทิพย์ผู้ที่มีหูทิพย์สามารถจะได้ยินเสียงที่อยู่ไกลแสนไกลซึ่งหูธรรมดาไม่ได้ยินและสามารถที่จะได้ยินเสียงทั้งในโลกมนุษย์และเสียงในโลกของโอปปปาติกะ 3. เจโตปริยญาณความสามารถในการอ่านใจคนอื่นโดยไม่ต้องผ่านทางคำพูดหรืออาศัยตัวหนังสือหรือกิริยาใด เพราะถ้าต้องการจะทราบความคิดของใครแม้ผู้นั้นจะอยู่ไกลไม่เห็นตัวกันแต่เมื่อต้องการจะทราบความคิดของเขาก็สามารถที่จะทราบได้เสมือนหนึ่งเรารู้ความรู้สึกนึกคิดในใจของเราด้วยใจของเราเอง 4. อุปเพนิวาสานุสติยานยานที่ทำให้ระลึกชาติได้ซึ่งผู้ที่สาเร็จยานนี้ สามารถที่จะรู้ถึงอดีตชาติของตัวเองและถ้าต้องการรู้ถึงอดีตชาติของใครก็สามารถที่จะรู้ได้ด้วย 5. าจุดตูปปาตาญาณญาณที่ทำให้รู้ถึงเรื่องจุดติและปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายญาณข้อนี้ก็คือทิพยจักษุผู้ที่สาเร็จญาณนี้สามารถที่จะมองเห็นสิ่งที่เล็กที่สุดหรือสิ่งที่อยู่ไกลที่สุด ซึ่งตาธรรมดามองไม่เห็นและสามารถที่จะเห็นชีวิตหลังจากตายคือพวกโอปปาติกาศทั้งหลาย 6. อาสวะคยญาณญาณที่ทำให้กิเลส ต, ต่างๆที่มีในสันดานหมดสิ้นไปผู้ที่สำเร็จญาณ น, นี้ก็คือพระอริยบุคคลทั้งหลายนับตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนกระทั่งถึงพระอรหรันต ผู้ที่สําเร็จยานี้เท่านั้นจึงจะสามารถทราบเรื่องของชีวิตอย่างแจ่มแจ้งเพราะผู้ที่บรรลุถึงยางนี้จะสามารถรู้ถึงที่สุดของชีวิตคือนิพพานและด้วยการรู้แจ้งนิพพานนี้เท่านั้นจึงจะสามารถทําให้เข้าใจถึงความเกิดและวิวัฒนาการของชีวิตตลอดสายจนกระทั่งไม่มีอะไรที่สงสัยอีกต่อไปและสามารถเอาชนะความทุกข์ได้หมดทุกอย่างไม่มีเหลือ พิญญาทั้งหดังที่กล่าวมานี้อย่าลืมว่าเป็นความรู้ที่อยู่นอกเหนือประสาทสัมผัสและจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อสามารถเอาชนะอิทธิพลของประสาทสัมผัสหรือไปให้พ้นจากขอบเขตของประสาทสัมผัสได้กล่าวคือต้องสามารถเข้าสมาธิไปได้ลึกมากจนกระทั่งไม่รู้สึกตัวเครื่องราวจากภายนอกเป็นต้นว่าเสียงแม้จะดังสักเพียงไรก็ไม่ได้ยินหรือว่าใครจะมาจับตัว หรือขย่าตัวสักเพียงไรก็ไม่รู้สึกทั้งที่ผู้นั้นยังนั่งอยู่และไม่ได้หลับและไม่ได้ฝันแต่เขาก็มีความรู้สึกอยู่ภายในซึ่งเป็นความรู้สึกที่ไม่ใช่เปรปะเหมือนในความฝันแต่หากเป็นความรู้สึกที่มีสติสัมปชัญญะควบคุมและเป็นความรู้สึกที่บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสเจือปนผู้ที่สามารถฝึกจิตได้ถึงขั้นนี้เท่านั้น จึงจะสามารถมีอภินญญาเกิดขึ้นมาได้ซึ่งจะมากหรือน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับกําลังของสมาธิและวิปัสสนาและขึ้นอยู่กับบุญบา ร, รมีที่สะสมอบรมไว้ตั้งแต่ชาติก่อนๆด้วยในบทสวดมนต์ธรรมวัดเช้าซึ่งเป็นบทที่สรรเสริญพระพุทธเจ้ามีข้อความอยู่ตอนหนึ่งว่า โยอีมังโลกังสเทวักังสมารกกังสพรมมกังสัจสัพรามณิงประชังสเทวามนุสังสยามะพิญญาสัจจิกตวาประเวท esi ละถึงตำมาหังภควันตังศิรสานะมามิแปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงกระทำให้แจ้งด้วยพระองค์เองด้วยอภิญญาแล้วจึงทรงประกาศให้โลกนี้รู้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกและพรหมโลก ทรงสั่งสอนหมูสัตว์ทั้งหลายซึ่งมีทั้งสมณะและพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้แจ้งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมเผยเราะทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดทรงประกาศพรมจันทร์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัคตและพยัญชนะข้าพเจ้าขออภิว่ายกราบไหว้ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าว ขอให้สังเกตคำว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงกระทำให้แจ้งด้วยพระองค์เองด้วยอภิญญาคำว่ากระทำให้แจ้งในที่นี้หมายถึงรู้อย่างประจักษ์แจ่มแจ้งเพราะเป็นการรู้ด้วยอภิญญาต่างๆดังกล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นได้ว่าความรู้ของพระองค์เกี่ยวกับเรื่องชีวิตต่างๆซึ่งรวมทั้งชีวิตในโลกของโอปปาติกาด้วยนั้นเป็นความรู้ที่อยู่นอกเหนือประสาทสัมผัส และเป็นความรู้ที่แจ่มแจ้งมากพระองค์ทรงสแสวงหาความรู้โดยวิธีนี้ส่วนคนทั่วไปไม่ได้สแสวงหาความรู้โดยวิธีนี้อาศัยแต่ความรู้ที่เกิดจากทางประสาสัมผัสอย่างเดียวด้วยเหตุนี้จึงทำให้รู้สึกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะมันผิดจากที่ตนเองเคยรู้เคยเห็นมาอย่างมากมาย และอีกอย่างเราก็ยึดมั่นอยู่แต่ในความรู้ที่เกิดจากประสาทสัมผัสไม่ยอมรับว่าความรู้ที่แท้จริงนั้นต้องเป็นความรู้ที่อยู่นอกเหนือประสาทสัมผัสทั้งที่ความรู้ที่ว่านี้ทุกคนสามารถจะสแสวงหาได้ถ้าหากได้พยายามฝึกสมาธิไปด้วยพร้อมๆกับการเรียนความรู้จากภายในนี้ก็จะค่อยๆเกิดขึ้นทีละเล็กละน้อยจนกระทั่งในที่สุดก็จะต้องได้สมาธิขั้นสูงเข้าสักวันหนึ่ง รั้นแล้วความรู้จักภายในก็จะหลั่งไหลออกมามากมายอย่าลืมว่าความรู้แบบนี้เป็นสมบัติของคนทุกคนแต่อย่างไรก็ดีถ้าหากเรารู้จักฐานะหรือขอบเขตแห่งสติปัญญาของเราเป็นอย่างดีเราก็ควรจะเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าไปพลางก่อนถึงแม้ว่าเราจะยังไม่เข้าใจยังมองไม่เห็นเหตุผลก็ตาม เพราะถ้าหากไม่ได้อาศัยความเชื่อเป็นเครื่องนำทางไว้บ้างแล้วก็เป็นการแน่นอนว่าเราจะไม่มีทางรู้แจ้งความจริงเกี่ยวกับชีวิตด้วยตนเองและอันที่จริงตามหลักพุทธศาสนาก็ไม่ได้สอนให้เราเชื่ออย่างงมงายโดยไม่ต้องมีการพิสูจน์ตรงกันข้ามถ้าเรายิ่งศึกษาและปฏิบัติในทางศาสนาสูงขึ้นไปเพียงไรการเชื่อตามคมภีหรือตามคนอื่นบอกจะต้องค่อยๆทิ้งไป ซึ่งในที่สุดเมื่อจิตใจเริ่มจะก้าวขึ้นสู่อริยภูมิแล้วเราต้องสลัดความเชื่อที่พิสูจน์ไม่ได้ด้วยตัวเองออกไปให้หมดไม่เช่นนั้นเราจะละ ก, กิเลสไม่ได้เพราะการละ ก, กิเลสต้องอาศัยศรัทธาและปัญญาที่ประกอบไปด้วยเหตุผลอย่างแจ่มแจ้งเท่านั้นจึงจะสามารถเป็นไปได้เพราะในขณะที่จิตเริ่มจะเข้าสู่อริยภูมินั้นในตอนนี้ความรู้แจ้งจากภายในก็จะเริ่มลังไหลออกมา และความรู้สึกเหล่านี้สามารถทดสอบหรือพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองทั้งสิน้นข้าพเจ้าคิดว่าคนที่ได้ศึกษาถึงเรื่องพุทธศาสนามาอย่างรอบคอบจริงๆแล้วเขาจะไม่กล้าตําหนิคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยเป็นอันขาดถึงแม้คําสอนนั้นรู้สึกว่าจะเหลือเชื่อไม่น่าจะเป็นไปได้ก็ตามคนที่กล้าคัดค้านข้อความในคำภีร์ ส่วนมากเป็นเพราะไม่ได้ศึกษามาอย่างรอบคอบหรือไม่ก็เป็นเพราะสติปัญญาของตัวเองไม่ลึกซึ้งพอที่จะเข้าใจความหมายที่แท้จริงของข้อความในคำภี